บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้ลกล่าวถึงพรู้ตะดำรัดที่สัตว์แก่ท่านปิงคียะโดยที่เห็นว่าความเดือดร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นแก่บุคคลทั้งหลายในโลกนี้ เพราะรูปเป็นเหตุในส่วนตัวบุคคลนั้นก็เพราะความประมาทเป็นเหตุในส่วนปัจจัยภายนอกก็เพราะรูปเป็นเหตุจึงทรงแนะนำให้ท่านปิงคิยะมองดูความเดือดร้อนของคนทั้งหลายที่อยู่ด้วยความประมาทและเดือดร้อนอยู่เพราะรูปตัวนั้น ให้ทำตนเองอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพื่อจะห ล, หลุดพ้นจากรูปทั้งหลายและไม่ต้องกลับเข้ามาสู่ความเกิดอีกต่อไปซึ่งข้อนี้ในแง่ของธรรมปฏิบัติก็ดีในแง่ของการศึกษาเรียนรู้ก็ดีก็จะพบว่าได้ทรงแสดงถึงความทุกข์ที่ปรากฏในโลกนี้ในสองลักษณะด้วยกัน คือเป็นความเดือดร้อนที่ปรากฏในชีวิตของบุคคลประเด็นไปที่ทุกขเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งการศึกษาความทุกข์ในลักษณะนี้ง่ายต่อการเข้าใจเพราะมีรูปรธรรมเป็นตัวยืนยันเป็นตัวกำหนดให้รู้กันดูแต่ในขณะเดียวกันส่งสอนให้ดูถึงสาเหตุอยู่สองประการ ประการแรกก็คือความประมาทซึ่งวาที่จริงก็คือเรื่องของใจที่อยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสเพราะความประมาทก็คือความขาดสติขาดปัญญาในการดํารงชีวิตก็เกิดความหลงลืมคลั้งเผลอไม่ได้ใช้ปัญญาพิจิตรพิเคราะห์สิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเองและในชีวิตของบุคคลอื่น แต่ในขณะเดียวกันจะเป็นการแสดงเห็นว่าพระปิงกยะนั้นท่านเป็นผู้เท่าการจำทรงด้วยราต่างๆก็ไม่ค่อยจะมั่นคงแต่นั้นจึงทรงแสดงความเดือดร้อนในลักษณะรวมๆคือโดยชีย้ไปที่รูปทั้งหลายข้อนี้จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วรูปนั้นก็คือรูป รูปเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นดำรงอยู่และแตกดับไปตามเหตุปัจจัยแต่ขอบคายความหมายของรูปก็คือสิ่งที่เราเรียนรู้จากประสาทสัมผัสทประการและตัวประสาทสัมผัสทั้งห้าเองก็เป็นรูปธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างเพราะสิ่งที่อยู่ในภายนอกซึ่งเป็นวิสัยของตาคือรูปที่เราเห็นด้วยตาเสียงที่เราได้ยินด้วยหู ลินที่เราสูดดมด้วยจมูกรสที่ลิ้มด้วยลิ้นและเย็นร้อนอ่อนแข็งที่เรารู้ได้กายก็อยู่ในกลุ่มของรูปเหล่านั้นซึ่งจะเห็นได้ว่ารูปนั้นเป็นตัวสภาวธรรมที่เกิดขึ้นเป็นอยู่ตามเหตุปัจจัยขั้งแก่แต่ทำไมคนต้องเดือดร้อนเพราะรูปตอนนี้เพราะว่าใจของบุคคลเฉพาะในที่นี้ทรงใช้คำว่าประมาท ซึ่งในที่อื่นอาจจะใช้คำอื่นก็ได้เช่นสงใช้คำว่าเพราะไม่รู้แจ้งเพราะไม่สารวมเพราะไม่ระมัดระวงังเพราะไม่บรรเทาลดละกิเลสเป็นต้นคือใช้ยังไงก็ได้เพราะที่จริงแล้วเป็นการกล่าวถึงอกุศลธรรมที่เป็นเดชได้มีการกำหนดหมายถึงรูปธรรมเหล่านั้นในแง่ที่ก่อให้เกิดเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นแก่ตน ทำไมจึงกล่าวเช่นนั้นเพราะว่ารูปนั้นเป็นอัปยากตะธรรมคือธรรมะกลางๆจะเป็นก้อนแก่อย่างนั้นเองไม่ว่ายุคใดสมัยใดใครจะเกิดขึ้นใครจะไม่เกิดขึ้นแต่แกก็มีเหตุปัจจัยของแกเหตุปัจจัยให้เกิดแกก็เกิดเหตุปัจจัยดำรงอยู่แกก็ดำรงอยู่เหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลงแกก็เปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยหมดไปแกก็ดับแกก็เป็นก้องแก่อย่างนั้นเพราะนั้นปัญหาสําคัญจึงอยู่ที่ใจคน ที่ต้องไปเกี่ยวข้องอยู่กับรูปเหล่านั้นเป็นตัวกาหนดให้เป็นความเดือดร้อนหรือไม่ให้เป็นความเดือดร้อนก็ได้ซึ่งคนนี้ก็ยุติโดยหลักที่ทรงแสดงไว้ในตอนท้ายของทุกขสัตย์ที่ว่าเมื่อเราโดยสรุปแล้วจิตของบุคคลที่ยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้านั่นเองเป็นความทุกข์ท้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะขันห้าก็คือขันห้า แต่ขันหา้านั้นอาจาอาจะเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ก Laughter ็กได้อาจจะเป็นที่ต<ม>ั้งแห่งความสุขก็ได้อาจจะเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกเฉยๆก็ได้แต่ในความทุกข์ความสุขเฉยๆ<ม>นั้นก็อาจจะย่อยรายละเอียดลงไปทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดได้อีกเป็นมากเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้อยู่ที่พวกขันเหล่านั้นแต่อยู่ที่ใจไปกําหนดขันถ้ากําหนดในแนวที่เป็นของเรา เชนรูปของเราเวทนาของเราสัญญาของเราสังขารของเราปัญ่าของเราด้วยการกำหนดกาหนดแนวของเรานั้นอาจจะทุกข์ก็ได้อาจจะสุขก็ได้เชนรู้สึกว่ารูปของเรางามรูปของเราสบายรูปของเราเป็นสุขรูปของเราประณีตเราได้เสวยสุขเวทนาเป็นต้นด้วยอาศัยความรู้สึกเหล่านั้น จะทําให้บุคคลรู้สึกเป็นสุขเพราะมีรูปเป็นเหตุมีรูปเป็นปัจจัยมีรูปเป็นตัวกระตุ้นให้บังเกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันโอกาสหนึ่งอีกช่วงหนึ่งรูปของเราเกิดเปลี่ยนแปลงไปเวทนาเปลี่ยนแปลงไปไปแนวทุกข์สัญญาความจํานั้นเสื่อมถอยไปสังขารที่ปรุงแต่งใจมีแต่พวกอกุศลมีแต่พวกที่มีปัญหา สิ่งที่รับรู้ทางประสาทสัมผัสก็สร้างปัญหาสารพัดได้เกิดขึ้นและใจของบุคคลไปยึดถือว่าเป็นของเราเข้าในอารมณ์เหล่านั้นความเดือดร้อนความทุกข์ต่างๆก็เกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นได้เรื่อยไปตราบใดที่ใจยังไปกำหนดในแนวนั้นข้อนี้บพงสังเกตในแง่ของผลทับพาลมเอรมที่มากระทบกาย คนเรานั้นอยู่ถ้ำกลางความหนาวร้อนแในปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่วิปริตไปตามเหตุปัจจัยของแก่ปัญหาสําคัญที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเวลาเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านั้นถ้าจะสอนในชั้นศีลธรรมจัร ญ, ญาทั่วทไปก็ทรงขอให้อดทนต่อปรากฏการณ์ความวิปริตแปรปรวนของธรรมชาติ เราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราอยู่ท่ามกลางความวิปริตแปรปรวนของธรรมชาติเหล่านั้นเพราะงั้นต้องพยายามอยู่ให้ได้แม้จะแปรแปรวนเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ตามแต่ว่าในชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งสงสอนในแนวที่ให้บุคคลพยายามช่วยตัวเองให้อยู่ได้ทำกลางความแปรปรวนของธรรมชาติเช่นหนาวจัดก็ถามตัวเองว่าจะทํำยังไง เราไม่ได้ไปแก้ไขที่ตัวความหนาวเพราะความหนาวมันเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเป็นอย่างนั้นเองแต่เวลาแก้ก็ส่งสอนให้แก้ที่ตัวเองแม้บริขารของพระคือเครื่องทใายของพระก็เกิดขึ้นจากการพยายามแก้ปัญหาในแนวนี้เดิมทีเดียวนั้นพระก็มีแต่ผ้านุ่งผ้าขมสองผืนเท่านั้นเองแต่ต่อม า, อาการเกิดหนาวจัดขึ้น ก็กระสับกระสายเพราะความหนาวเสียแทงพระเจ้าทรงตรวจสอบดูว่าจะาจะเพิ่มเครื่องนุ่งห่มนั้นควรจะเพิ่มสักกี่ผืนเรียกว่าพอดีพอดีพอ่าสบายแต่ส่วนหนึ่งก็คงใช้ความอดทนอยู่นั่นเองแล้ในที่สุด ก, ก็ทรงเพิ่มผ้าสังคาติขึ้นมาอีกสองผืนรวมแล้วก็เป็นผ้าหนาสามชั้นซึ่งสามารถช่วยบรรเทาความหนาวในฤดูหนาวได้ แต่ตั้นนี้ท่านั้นไม่ได้หมายความว่าไปตัดความหนาวหรือไปทำลายความหนาวเพียงแต่สอนให้ป้องกันตัวเองอย่าให้ถูกความหนาวเจ็บแทงมากไปแต่ตอนนี้ต่นนั้นไม่ได้หมายความว่าความหนาวหมดไปเพียงแต่ความรู้สึกหนาวบันเทาลงไปแล้วในช่วงที่ยังไม่บันเทาก็ทรงสอนอดทนเอาตนต่อความหนาวเหล่านั้น ซึ่งคนนี้จะเห็นได้ว่าท่้ำกลางความหนาวเหน็บนั้นมันไม่จําเป็นที่คนจะต้องรู้สึกทุกข์เสมอไปมันขึ้นอยู่กับตัวของเขาเองด้วยขึ้นอยู่กับการกําหนดหมายอากาศที่หนาวด้วยวัสุขภาพบาลานามัยส่วนตัวก็เราเป็นอย่างไรเรากําหนดหมายอย่างไรกําหนดให้เป็นเรื่องโหดร้ายรุนแรงก็ได้กําหนดให้เป็นเรื่องธรรมดาก็ได้ กำหนดเป็นเรื่องสบายสบายก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับใจของบุคคลเหล่านั้นเป็นตัวกําหนดแต่ปริมาณของความหนาวก็คงเท่าเดิมในขณะนั้นวัดแล้วได้เท่าไหร่มันก็เป็นเท่านั้นแต่ใจคนจะมีความรู้สึกต่อความหนาวไม่เหมือนกันแม่แต่ร้อนหิวกระหาย หรือปัญญานันตรายต่างๆได้โรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคลบคลก็จะมีผลในการสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของบุคคลในลักษณะที่แตกต่างกันอยูเช่นนี้เพื่อการสอนให้เข้าใจถึงรูปยิ่งสอนในอีกชั้นหนึ่งถ้าบุคคลยอมรับว่ามันเป็นข้อมันอย่างนั้นเองถึงว่าที่จริงคําว่าธรรมะถ้าเราจะแปลเข้าใจง่าย ธรรมะท่านแปลว่าสภาวะที่ทรงไวรือทรงตัวเองไว้พูดแล้วอาจจะเข้าใจยากแต่เราจะแปลว่าธรรมะก็คือสิ่งที่มันเป็นอย่างไรมันก็เป็นก็มันอย่างนั้นเองนเหมือนก็เกลือเค็มคือแกลเค็มของแกยอย่า ง, งนางงั้นจะมากจะน้อยแกก็เค็มของแกแล้วไปอยู่ในที่ใดแกก็เข็มธรรมะที่แบ่งเป็นกุศลมันก็เป็นกุศลอยู่อย่างนั้น อย่างกตัวอย่างในสมัยนี้เรามีการเผยแพร่ทศพิธราชธรรมกันในทุกระดับไปจนถึงประชาชนเผยแพร่ทศพิธราชธรรมกันแต่ถามว่าทศพิธราชธรรม น, นั้นมีมาเมื่อไหร่มีตั้งแต่โบราณกาลพระมหากรรษัตริย์พระองค์ใดที่ประสบความสําเร็จในการบริหารบ้านเมือง หัวหน้าหมู่หัวหน้าคณะคนใดที่ประสบความสมําเร็จในการบริหารหมู่บริหารคณะต้แนแรกแต่ประกอบด้วยทศพิธราชธรรมด้วยกันทั้งนั้นแต่ในบาลีท่านไม่เรียกขนาดนั้นเรียกแต่ว่าราชธรรมเปลว่าสิ่งนี้มันเป็นขมันอย่างนี้แต่เมื่อใครนําไปประพฤติปฏิบัติก็จะก่อให้เกิดความยินดีแก่บุคคลทั้งหลายราชาก็คือผู้ที่ทําให้บุคคลมีความชื่นชมยินดี ธรรมะก็คือธรรมะที่ทําบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของบุคลทั้งหลายเขาก็ดีนเข้ามาอย่างนั้นี่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วพระพุทธเจ้านํามาแสดงเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หรือเสาะเอสะท้อนประวัติศาสตร์ให้ดูชี้ผลของธรรมะที่เป็นรูปธรรมซึ่งเกิดขึ้นจากพระราชาผู้ปฏิบัติตามทศพิธราชธรรมในยุคในสมัยนั้น แล้วก็นํามานอนสอนพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นแล้วก็นําสอนกระสืบต่อกันไาจนเกิดอุปาทานขึ้นมาว่าทศพิตราจะทำนั้นเป็นธรรมะสาหรับพรจะแผ่นดินเท่านั้นประชาชนไม่เกี่ยวซึ่งถือว่าเป็นเรื่องแปลกที่จริงมันก็เหมือนกับอากาศอากาศหนาวอากาศร้อนมันก็เกี่ยวกับทุกๆคนแต่ปัญหาสําคัญว่าคนเหล่านั้นจะอยู่อย่างไรในถ้ำกลางอากาศหนาวร้อนเท่านั้น ธรรมะเป็นเรื่องของความสากลไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะแต่เป็นเรื่องของบุคคลผู้มีปัญญาจะต้องพิจารณาเลือกเฟ้นลดละบรรเทาในสิ่งที่ทรงสอนในลดละบรรเทากํากหนดรู้ความจริงทําใจยอมรับความจริงในกรณีที่สอนรู้สอนให้รยอมรับความจริง แล้เปลี่ยนพยายามลงมือประพฤติปฏิบัติพัฒนาตัวเองตามระบบนั้นๆในกลุ่มของธรรมะที่ส่งสอนให้ลงมือประพฤติปฏิบัติพระตบิษฐ์เราจะทำเหล่านี้จึงเป็นตัวอย่างว่าคนในยุคนี้เวลานามาประพฤติปฏิบัติข้าวมันก็เป็นคนที่ชื่นชมยินดีของบุคคลทั้งหลายเหมือนกับก่อนพุทธกาลเหมือนสมัยพุทธกาลเมือ่อกลางพุทธกาลและแม้ในโอกาสต่ตอๆไปก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้น จึงมปนการแสดงให้ว่าธรรมะเาก็เป็นเขาอย่างนั้นควายกุศลก็เป็นอย่างนั้นใครประพฤติปฏิบัติกวงหนวยผลเป็นความสุขความเจริญให้แก่บุคคลเหล่านั้นแล้วไม่ได้บีบไว้เฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นสาธารณะแก่ผู้ฝ่ายดีทั้งหลายเพียงแต่ว่าในการประพฤติปฏิบัติในชั้นที่เข้มงวด ไปเหมาะสมแก่สถานะของตนก็ทรงกำหนดเป็นองค์ธรรมขึ้นมาในกลุ่มนั้นๆแต่ถ้าเรามองในแนวของการปฏิบัติปฏิบัติก็จะเห็นว่าบุคคลเองก็กระจายจะยกตัวอย่างว่าพระมหานสีเป็นธรรมะหลักใจของผู้ใหญ่แต่ก็จริงในโลกนี้ใครคือผู้ใหญ่และใครคือผู้น้อยมันขึ้นอยู่ก็เราไปประกอบกับใครในขณะนั้นแต่อาจจะเป็นผู้ใหญ่ ้ก็ไปประกบกับผู้น้อยกว่าแล้วเราอาจจะเป็นผู้น้อยในกรณีที่ต้องประกบกับผู้ใหญ่กว่าก็ต้องลงมาในขณะที่เราเป็นผู้น้อยของคนระดับหนึ่งนั้นเราก็เป็นผู้ใหญ่ของคนอีกระดับหนึ่งและในขณะที่เราเป็นผู้ใหญ่ของคนอีกระดับหนึ่งนั้นเราก็เป็นผู้น้อยของคนอีกระดับหนึ่งดังนั้นพรหมิหารสี่เองก็เป็นธรรมะที่สาธารณะแก่บุคคลทั่วไปไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นผู้ใหญ่ รู้ว่าต้องเป็นผู้น้อยเพราความเป็นผู้น้อยนั้นมันเป็นผู้น้อยสําหรับท่านเท่านั้นแต่ก็เป็นผู้ใหญ่สำหรับอีกคนอีกรุ่มหนึ่งอีกระดับหนึ่งใกล้ๆกับความเป็นพี่เป็นน้องที่เราถือกันในจาตในในสังคมทั่วไปเมื่อเกี่ยวข้องกับพี่ก็อาจเป็นน้องแต่อย่าลืมเมื่อเกี่ยวข้องกับน้องเขาก็เป็นพี่จึงหมายวก็เป็นผู้ใหญ่ที่จะต้องอาศัยธรรมะเหล่านั้นไปประพฤติปฏิบัติเช่นเดียวกัน และธรรมะเราอื่นก็เป็นเช่นนั้นดังนั้นในกรณีของการทรงสอนให้เห็นว่าชาวโลกที่กำลังประมาทอยู่แล้วก็เดือดร้อนในเพราะรูปทั้งหลายเป็นการสอนแบบนิงง่ายให้เข้าใจง่ายๆ่าเท่านั้นเองรา่จริงๆแล้วรูปก็คงเป็นรูปรูปอย่างเดียวกันคนมามองรูปนั้นคนละทางกันคนละพื้นฐานกัน จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่บุคคลได้ไม่เหมือนกันพ้นรูปรูปเดียวกันคนมองหลายคนไม่จำเป็นจะต้องเดือดร้อนเหมือนกันหรือเดือดร้อนเท่ากันแม้เสียงกลิ่นรสผุดพระก็มีลักษณะอย่างนั้นพาะตัวการใหญ่จึงอยู่ที่การขาดสติขาดปัญญาเป็นเครื่องระลึกรู้พินิจพิจาณาในสิ่งแบบนั้นที่สงใช้ในความหมายว่าระบาด ซึ่งก็หมายว่าใครก็ตามที่อยู่ด้วยความประมาทประมาทในช่วงยาวๆอย่างที่เคยกล่าวในวันก่อนคือประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคก็จะเดือดร้อนพระรูปและรูปนั้นจะต้องเป็นรูปทั้งภายในและรูปในภายนอกบางครังเราอาจจะตัดปัญหารูปภายนอกได้แต่เราก็เดือดร้อนวุ่นวายอยู่กับรูปภายในคือตัวเราเอง บางคนอาจจะดี้เร้นออกไปอยู่เฉพาะตัวเองดูแลคล้ายๆจะหมดความเดือดร้อนแต่ถ้ายัางมัวเมาประมาทอยู่ก็ต้องเดือดร้อนเพราะรูปของตัวเองท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ารูปทั้งหมดนั้นก็คือกระบวนการของขันกระบวนการของธาตุเราเดือดร้อนเพราะขันเพราะธาตุเพราะา อ, อยายตนะแต่ละอย่างนั้นก็คือรูปและในตัวของเราเองก็ประกอบด้วยขันาธนาตุอายตนะ แม้จะอยู่แต่ลำพังตนเองแต่ถ้าอยู่ด้วยความมัวมองประมาทแลเลือเล่อเลเพลิขาดสติปัญญาเป็นเครื่องกำหนดพิจพินิจพิจารนาก็เดือดร้อนได้และบางครั้งอาจจะเดือดร้อนในเรื่องที่ไม่น่าเดือดร้อนด้วยทาไปข้อนี้พระพุทมีพระภพคกตรา้ทรงปรารบราชกุ ม, มารของกษัตริย์ฤาวีที่เสด็จออกผนวดเป็นพระภิกษุ กรุงไพยสาลีนั้นจะมีการฉลองประจำปีถึงเจ็ดวันเ็าเรียกว่านักขัตฤกษ์มีการละเล่นมีการแสดงมรารสพบเสียงอยุกตึกครื่นโรมิกสุรูปนั้นบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าได้ยินเสียงนั้นก็มานึกถึงตัวเองวันนี้้ า, ากาเราไม่มาบวชเสียในขณะนี้เราจะเพลิดเพลิน อ, อยู่ในถ้ำกลางญาติพี่น้องขาทาสบริวารทั้งหลายและประชาชนทั้งหลาย แต่งตัวประดับประดาร่างกายด้วยเครื่องประดับที่มีค่ามากมีความสวยงามสร้างความสนใจแก่บุคคลทั้งหลายเป็นต้นทั้งกเพลยของท่านไปนเรือยๆพอเสร็จแล้วก็มาดูที่ตัวเองมารู้สึกอนาจใจในตัวเองตัวเอ้เป็นราชกุมารแท้ๆในขณะนี้ก็มีผ้าหนงผ้าผมเพียงสามพืนมีบาทใบเดียว ที่จะหลับจะนอนก็ไม่มีต้องอาศัยตามโคนไ ม, ม้ตามถ้าตามป่าตามเขาตามเงื่อมเขาก็รู้สึกคล้ายๆกับสงสารตัวเองหรือทุเรศตัวเองที่ต้องมาอยู่ในสภาพเช่นนั้นในสุดพระผู้มีพระเจ้าก็ทรงแสดงชี้แจงให้ท่เกิดความเข้าใจและเกิดความภาคภูมิในการที่สามารถใช้ชีวิตอย่างนี้ได้ สามารถดละปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นเรื่องยุ่ยยวนใจทั้งหลายออกไปได้ถึงคนที่ควรแก่การเศร้าใจสลดใจนั้นที่จริงไม่ใช่พิกษุรูปนั้นแต่เป็นเรื่องของคนที่กําลังเลินเล่ยเพลินสนุกสนานอยู่กับรูปทั้งหลายซึ่งบางครั้งในกรณีเหล่านี้ในกรณีที่ในกรณีที่เพลินเพลินด้วยรูปทั้งหลายเนี่ยเรจะเดือดร้อนเพราะรูปทั้งหลายเนี่ย พูะเจ้าได้รับสั่งว่าเธอทั้งหลายจะมัวเพลิดเพลินรื่นเริงอะไรกันอยู่อีกเล่าในเมื่อในเมื่อโลกนี้ถูกความมืดหุ่มห่อเอาไว้พวกเธอที่อยู่ท่ามกลางความมืดทำไมไม่สแสวงหาแสงสว่างเพื่อสองทางแห่งชีวิตล่ะเป็นการตอกย้ำให้บุคคลอยู่ด้วยความไม่ประมาท จึงจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้จะพูดประเด็นเดียวคือไม่ได้พูดถึงการกําหนดรูปการปล่อยวางความยึดติดในรูปแต่พึงเข้าใจว่าถ้าบุคคลอยู่ด้วยความไม่ประมาทบางก็จะเข้าใจรูปเหล่านั้นทั้งกระบวนการเข้าใจความเกิดของรูปความดับของรูปหรือเหตุเกิดของรูป ความดับของรูปและหลักการวิธีการที่จะดาเนินไปสู่ความดับแห่งรูปเพราะันเวลาเจอรูปมันเกิดขึ้นถ้าก็มองเห็นทั้งกระบวนของมันอาจจะสวยงามเปลงปง่งตลังมีน้ามีนวลอยู่ในช่วงหนึ่งแต่ว่าช่วงหนึ่งรูปเหล่านั้นก็ต้องแตกสลายไปทำลายไปตามธรรมดา ไอจิตที่ควรกำหนัดเพล่ดเินนั้นเดิงหลงอยู่ในรูปหลดนั้นมันก็จะผ่อนคลายบันเทาลงไปคล้ายๆกับบุคคลไปถือของซึ่งจะต้องหล่นเป็นธรรมดาเพราะเราไม่สามารถที่จะป้องกันได้และในสุดก็จะไม่ไปเอาจริงเอาจังอะไรกับของเหล่านั้นพอ ร, รู้แล้วว่ามันใครจะถือมันก็ต้องหล่นแหละ จิตใจของบุคคลก็จะมีความกระสรับกระส่ายมีความดิ้นรนน้อยลงนั้นการมองเห็นรูปทั้งกระบวนก็จะสามารถบรรเทาความรู้สึกกำหนัดเพลิดเพลินรื่องลงใน ร, ราะความไม่ประมาทคือการมีสติลึกรู้เท่าทันต่ออารมณ์ในขณะนั้นๆัซึ่งเวลาสอนนั้นเฉพาะในนี้สรงเน้นไปที่ความไม่ประมาท แต่เอาความเดือดร้อนพระรูปมาเป็นครูเท่านั้นเองในขณะเดียวกันถ้าจะเอาที่รูปมาศึกษากันที่รูปเป็นการก่อหนดรู้รูปนามในชั้นของความสงบมันก็เป็นสมถกรรมฐา น, ฐานในชั้นผ่อนคลายลดละบันเทาความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาตลอดตึงเป็นตัวตนที่ทแท้แน่นอนมาจากอะไรก็ตามที่ผัสวงสวงรรค์บั้งพระมรกตบั้ง ก็จะผ่อนคลายบรรเทารสละลงไปและจิตใจของบุคคลก็จะมีความสุขมีความสงบเพิ่มขึนอันนั้นก็สอนจากแนวของทุกขสัตว์แต่ว่าในในในที่นี้ทรงสอนจากแนวของมรรคสัต์การสอนจากแนวของมรรคสัต์นั้นสอนใ้ลงมือประพฤติปฏิบัติ แตวผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัตินั้นเองจะขจัดสาเหตุของความทุกข์และความทุกข์ซึ่งบุคคลไม่ต้องการปรารถนาเพราะธารรมะเหล่านี้จะเป็นของแก้กันอย่างที่ทราบแล้วเมื่อไฟหนึ่งเกิดไฟหนึ่งต้องดับเ่นปัญญาเกิดความเข่าในจุดนั้นต้องดับสติเกิดความเพ้อเรอในจุดนั้นต้องดับเมตตาเกิดความอาคาดพยาบาทในบุคคลนั้นต้องดับ ถ้าบอกว่าเมตตาคนนี้หรือเกิดแต่ความโกรธในคนนี้ไม่ลดแสดงเห็นว่าต้องจริงอยู่อย่างหนึ่งไม่จริงอยู่อย่างหนึ่งถ้าความโกรธยังไม่ลดแสดงว่าเมตตาไม่เกิดแต่แสดงถ้าเมตตาเกิดแสดงว่าความโกรธลดมันจะต้องตรวจกลับไปกลับมากันอย่างนี้ได้ถ้าตรวจกลับไปกลับมาไม่ได้ ก็แสดงว่าเมตตาที่ว่าเกิดนั้นยังไม่ได้เกิดก็คล้ายๆกับเราพูดว่าจุดไฟแล้วแต่ความมืดยังไม่ไม่หายไปก็เป็นการแสดงเอนว่าอาจจะมีปัญหาที่ตัวไฟหรืออาจจะมีปัญหาที่คนยังไม่ได้เปิดไฟจริงรถ้าจะเปิดจริงแสงสว่างต้องเกิดขึ้นความมืดก็จะต้องดับ จะจะต้องจางไปอย่าเป็นอย่างน้อยดังความไม่ประมาทในที่นี้จะเห็นว่านั่นจะทำหน้าที่ในลักษณะที่สืบเนื่องกันไปตอนนองเดียวก็เรารับประทานอาหารการรับประทานอาหารนั้นที่จริงก็อยู่ในกลุ่มของภาเวตปฏิทำหรือลงมือประพฤติปฏิบัติรับประทานอาหารเข้าไปแต่ตัวอาหารนั้นเป็นอพยากตะรมเป็นธรรมะที่เป็นกลาง แต่การรับประทานอาหารเป็นตัวพาเวตาปรธรรมคือธรรมะที่จะต้องลงมือประพฤฏิบัติเราคนเราจะอยู่ได้กับด้วยอาหารแต่อาหหรนั้นเมื่อบุคคลรับประทานเข้าไปจะเห็นว่ามันไม่ได้อยู่เฉพาะในท้องแต่มันจะทำงานของมันโดยการขาจัดความหิวเก่าป้องกันความหิวใหม่ เพิ่มความแข็งแรงให้เกิดขึ้นแก่ร่างกายความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นหายทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะความหิวหายไปเดี๋ยวจะกลายเป็นความสุขก็ราะเกิดขึ้นจากความอิ่มคมนี้จะเห็นว่าจริงๆแล้วเราก็รับประทานอาหารเพียงอย่างเดียวแต่ผลเหล่านั้นจะเป็นผลที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาจากการรับประทานอาหาร ดังนั้นเวลาสอนความไม่ประมาทอีกช่วงหนึ่งส่วกนก่อนนั้นได้พูดมาในช่วงใหญ่เขเรียกว่าความประมาทในวัยในความไม่มีโรคในชีวิตตีอีกช่วงหนึ่งเป็นช่วงเป็นช่วงของการประพฤติปฏิบัติแล้วก็สอนควบ ก, กันไปคือให้เว้นแล้วก็ให้ทํา โดยแบ่งออกเป็นสี่ชุดคล้ายๆจะง่ายแต่เรื่องยากที่สุดในการปฏิบัติท่งใช้คำว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในการละกายยุจริตประพฤตกายยสุจริตคือทำสองอย่างควบคู่ไปแต่ในเชิงปฏิบัตินั้นพึงสังเกตว่าบุคคลประพฤติสุจริตไอ้ตัวสุจริตก็ละตัวทุจริตเองหรือบุคคลละในส่วนทุจริต กายวาจาของบุคคลก็จะเป็นสุดจริตไปเองคือจะพูดจากจุดไหนก็ได้ให้ไม่ประมาทในการละวจีทุจริตประพฤติวจีสุดจริตไม่ประมาทในการละมโนทุจริตคือความคิดในทางที่ผิดประพฤติมโนสุดจริตอันนี้ก็คือเรื่องของจริงๆแล้วก็คือเรื่องของการละอกุศลกรรมบุตรประพฤติในกุศลกรรมบุนั่นเอง แต่ในที่สุดช่วงจุดสุดท้ายก็ส่งเน้นให้หนักขึ้นเพราะไม่ประมาทในการละมิจฉาทิจจิคือความเห็นผิดแล้วก็เสริมสร้างสมาทิจิคือความเห็นชอบไปบังเกิดขึ้นประหลักของพระพุทธศาสนานั้นองค์มักเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเป็นที่รวมของกุศลธรรมทั้งไง ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเมื่อบุคคลผู้ไม่ประมาทดำเนินไปก็จะได้รับความสุขความสงบลดความเดือดร้อนลงไปได้โดยทั่งดัง่ต่อจตกนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบส่อต่อไป